ไปไปพักจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีทีนี้ไปอยู่สาวัตถีนั้นไปกลายไปเป็นบริวารของพระเทวทัตเนี่ยนะเขามีพักใหญ่ๆอยู่พักเราพักพระเทวทัตกับพักพักพระพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระเทวทัตเนี่ยพยายามที่จะแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะซึ่งคนเองก็นับถือพระเทวทัตไม่ใช่น้อยในฐานะผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยนะแล้วก็พระสารีบุตรยังเคยชมพระเทวทัตนะว่าเป็นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก เพราะนนพระเทวทัตนี่ลำพองใหญ่มากก็มีบริวารมีภิกษุณีในเครือข่ายานั้นนะนี้นางก็ไปอยู่ในแวดวงของพระเทวทัตพอตั้งคันท้องโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะก็เรื่องราวก็ลูกลามใหญ่โตเข้าไปถึงประธานประธานของสกลุ่มนี้ก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตบอกนางไม่ใช่สมณะจับศึกไปเลยเนยนะ ทีนี้นางก็ไม่ยอมศึกเขาบอกสึกได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ได้บวชอุทิศพระเทวทัตนะฉันบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพันคนที่จะให้ฉันสึกได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะฉันพาฉันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถอภิกษุณีทั้งหลายก็เลยชวนกันพานางพิชซุณีที่มีคันเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้พระองค์ก็เป็นสัพพันธ์อยู่พระองค์ก็รู้ทุกอย่างแต่เนื่องจากต้องการให้พระอุบาลีเนี่ยโดดเด่นในทางพระวินัย พระพุทธเจ้าก็เลยโปรดบอกอุบาลีเอาเรื่องนี้ไปวินิจฉัยว่าเรื่องราวเป็นยังไงให้พระอุบาลีเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นผู้เป็นสารเนเป็นสารสอบสวนดูซิเรื่องนี้ไปยังไงมายังไงพระเถระเนี่ยนะความที่พระอุบาลีเถระเป็นคนฉลาดมากท่านก็เลยวิธีการตรวจว่ามีท้องเนี่ยท้องก่อนบวชหรือว่าท้องหลังบวช ก็เลยประชุมของประชุมคนที่มีประสบะการณ์เรื่องการมีคันเนี่ยมามารวมกันเช่นนางวิสาขาอุบาสิกานางวิสาขามีลูกเท่าไหร่เท่าไหร่นะมีลูกอย่างน้อยก็2ี่สท่น่ะมีลูกยี่สิบประสบะการณ์เยอะมา ก, กว่างั้นเถอะนั้นหายห่วงก็เลยเอานางวิสาขาเนี่ยมาตรวจคันนะมาบอกว่าเนี่ยเช็คดูซิว่าท้องแบบนี้เนี่ยท้องก่อนบวชหรือหลังบวชนางวิสาขาก็ ปิดม่านปิดอะไรก็ไปดูเรียบร้อยเด็ดเสร็จบอกว่าท้องก่อนบวชนะบวชคือตอนที่มาบวชนี่ไม่รู้ว่ามีท้องเสร็จแล้วก็พระอุบาลีก็วินิจฉัยว่านางเป็นภิกษุณีไม่ได้ขาดจากภาวะแห่งภิกษุณีแล้วก็มีการก็ให้ก็ช่วยให้สงคนนี่มาคอยดูแลบริหารคันจนคลอดคลอดเสร็จคือตอนที่พระอุบาลีวินิจฉัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการว่าพระอุบาลีวินิจฉัยเนี่ยถูกต้อง เรียกว่าตามหลักนีถูกต้องทำธรรมวินัยทุกประการตอนหลังพิสุณีรูปนั้นก็คลอดลูกเป็นลูกที่มีผิวเหมือนทองคำเนี่ยนะเป็นคนรูปงามมากเป็นเด็กรูปงามมากพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยรับเอาเด็กนั้นอ่ะมาชุบเลี้ยงประธานชื่อว่ากัสปะต่อมาเมื่อเจริญเติบโตเนี่ยนะเด็กคนนี้ก็เลยขออนุญาตพระราชาบวชคือตอนหลังก็บอกว่าเธอเป็นลูกใครคือคนอย่าพูดถึงพ่อถึงแม่เยอะๆนะ ตอนหลังท่านก็ได้ฟังท่านก็สังเวช ท, ท่านก็มีอุปนิสัยท่านก็เลยขอบวชซึ่งบวชมาแล้วคนก็เลยเรียกว่ากุมารกัสปะเพราะเป็นบุตรที่พระราชาเลี้ยงลูกเลี้ยงพระราชาเนี่ยนะพระเจ้าเปรตที่โกศลแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านเป็นพระที่แต่สแสดงธรรมเนี่ยแตกฉานมากเนี่ยเป็นเอตถ ะ, ะเลิศทางกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตรพูดถึงพระมกสป ะ, ะกุมารกัสปะกับแม่ของท่านหนะ่อยเขาบอกว่าแม่ของพระกุมารกัสปะเนี่ยนะ ใจจริงตอนแรกเนี่ยไหมอยากบวชมากเลยนะทีนี้พออยากบวชมากก็ได้บวชสมใจอยากตอนหลังก็มีคันขึ้นมาใช่ไหมพอมีคันขึ้นมาตัวเองเป็นภิกษุนางภิษุณีก็ไม่ได้เลี้ยงลูกพอไม่ได้เลี้ยงลูกก็ส่งลูกไปให้ให้ใครพระราชาก็เลี้ยงนางก็บวชไปทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็แหมไม่อยากไม่อยากจะมีลูกไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากบวชอย่างเดียวใช่ไหมพอตอนหลังมีลูกคลอดลูกไปแล้วคิดถึงแต่ลูก ร้องให้ถึงลูกทุกวันก็บอกไอ้นางเนี่ยคิดถึงลูกทุกวันบอกว่าน้ํานมเนี่ยไหลทุกวันเลยด้วยความคิดถึงลูกทุกวันทุกวันไปนี่ตอนหลังพระกุมารกษะสะปะท่านก็บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บนรเงิ น, นงก็เลยคิดจะไปเยี่ยมแม่ดูแม่เป็นยังไงบ้างไปถึงก็แม่ก็โหเห็นลูกก็ร้องให้ปรีจะมากอดขาลูกเลยล่ะพระมหากุมารกษะสะปะท่านก็คิดว่าถ้าเราพูดกับแม่ดีๆนะแม่ชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุหรอกเนี่ย เพราะอะไรเพราะมีแต่ความผูกพันอยู่แบบนี้นางพระกุมารกัสสปะก็เลยบอกแม่มัวแต่ทําอะไรอยู่บวชมาตั้งนานและค ว, ลความรักในลูกแค่นี้ก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะบอกอเรานะอุตส่าห์คิดถึงลูกนึกว่าลูกจะคิดถึงเราบ้างแค่นี้ลูกก็ไม่คิดถึงเราใจดําแท้เนี่ยนะก็เลยสังเวชสลดใจเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอารหันต์เนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอารหันต์เออบางคนนี่พูดดีด้วยไหมบรรลุหรอกนะ ต้องใช้แบบวิธีนี่แบบพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระวักลิวักลิไปเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้นะบางคนก็ต้องแบบนั้นแหละเนี่ยเหมือนกับพระกุมารกสปะพูดกับแม่ของท่านทีนี้พระกุมารกสปะรู้แล้วใช่ไหมว่าประวัติของท่านคือผู้ที่สั่งสมบุรณวาสนามาแล้วเท่าไหร่แสนกับเนี่ยนะแสนกับตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะกล่าวทําได้อย่างวิจิต ทีนี้พระกุมาลกสปะเนี่ยนะท่านไปอยู่ประพฤติสมณธรรมหรือไปอยู่บำเพ็ญกรรมฐานณป่าอันธวันแล้วทําไมป่านี้จึงชื่อว่าเป็นป่าอันธวันป่าอันธวันเนี่เป็นป่าที่สืบเนื่องมายาวนานมากเลยป่าอันธวันก็อยู่ข้างๆเชตาวันนั่นแหละสมัยคือคือป่าเนี่ยมีประวัติตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมาที่เรียกว่าป่าอันธวันเนี่ยนะเป็นชื่อที่มียาวนานมากตอนนี้ก็ไม่เหลือสภาพป่าแล้วนะเหลือแต่ท้องทุ่งอะนะ ข้างๆเชตวันตอนนี้ก็เหลือแต่ท้องทุ่งอนะไม่ไม่มีป่าแล้วก็มีคนที่พยายามไปสร้างสํานักสร้างอะไรอยู่บริเวณตรงนั้นพูดถึงปกติเกี่ยวกับพระธาตุของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุน้อยจะไม่เป็นแท่งเดียวกันพระองค์จะให้อธิษฐานให้กระจัดกระจายคือพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุน้อยเนี่ยพระองค์จะอธิษฐานให้ธาตุของพระองค์เนี่ยแตกกระจายออกไป อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอธิษฐานว่าตัวพระองค์เองเนี่ยดำรงอยู่ไม่ได้ยั่งยืนนานก็คืออยู่เพียง45ปีเหล่าสัตว์เป็นจนํานวนน้อยที่เห็นเราสัตว์ที่เกิดมาแล้วได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มากในช่วงระยะเวลา45ปีใช่ไหมที่ไม่มีทีวีแบบสมัยใหม่เนี่ยนะที่มีการถ่ายทอดสดฐานดาวเทียมอะไรทั่วเป็นทั่วโลกเนี่ยนะเมื่อมันไม่มีปั๊บคนที่เห็นเนี่ยประชากรที่ได้เห็นพระองค์เนี่ยไม่มาก พันส่วนสัตว์ที่ไม่เห็นมีมากกว่าแต่นี้ทํายังไงจะให้สัตว์ที่มองไม่เห็นพระองค์ได้บรรลุธรรมได้หรือจะช่วยให้เขามีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์ก็เลยอธิษฐานให้พระธาตุแตกกระจายเพราะสัตว์เหล่านั้นถือเอาธาตุแล้วบูชาหรือมีการบูชาพระธาตุการบูชาพระธาตุก็จะมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะก็ได้คือคือพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่พระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อ สัตพัสสัตถ์ทั้งหลายไอ้คนที่จะคิดจะช่วยคนอื่นนะตัวตายไปแล้วก็ยังช่วยคนอื่นได้ช่วยเขาอกโดยที่สุดแม้แต่กระดูกชิ้นเดียวก็ยังช่วยให้เข้าไปสวรรค์ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจกรุณามีเมตตาปรารถนาเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้ปลดพ้นจากวัฏฏุกเพราะฉะนั้นกระดูกชิ้นเดียวหรือที่เราเรียกว่าพระธาตุแม้แต่ชิ้นเดียวก็ช่วยให้สัตว์ไปสวรรค์ได้จํานวนมหาศาล อย่างสังเกตดูนะอย่างที่ภูเขาทองเนี่ยนะพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานที่ภูเขาทองในกรุงเทพเนี่ยคนไปบูชาเท่าไหร่แต่ละปีแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยเท่าไหร่ปริมาณตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันแล้วพระธาตุองค์เดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวก่อนหน้านี้เป็นพันพันปีแล้วเนี่ยนะก็ช่วยเทวดาและมนุษย์ให้ไปสุขติโลกสวรรค์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะหรือพระธาตุต่างๆที่กระจายไปทั่วโลกล่ะ หรือเป็นไปในจักรวาลต่างๆพระธาตุของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้อะไรได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ขณะเดียวกันผู้ที่บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้เขาได้บรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันนี้เป็น อนุภาพของเป็นพุทธานุภาพนะความที่พระองค์สั่งสมบารมีมาดีเพื่อที่จะเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์โดยที่สุดแม้แต่พระธาตุย่าไม่ต้องพูดถึงคําสอนนะคำสอนช่วยได้มากกว่า น, นั้นอีกช่วยได้มากกว่าพระธาตุนะนะถ้าถ้าถือเอาคําสอนนี่ต่อไปส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่มีพระชนมายุยืนนานเช่นอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยนะเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะเนี่ย สรีระธาตุของพระองค์คือพระธาตุของพระองค์เนี่ยตั้งอยู่เป็นแท่งเดียวกันเหมือนกับแท่งทองคําทีนี้มหาชนก็ปรึกษากันว่าเรามาทำยังไงเราก็ไม่สามารถกระจายพระธาตุได้ถ้าถ้าธาตต้องการกระจายเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานให้กระจายถ้าพระธาตุเป็นทองคอํานี่ยใครจะกล้าไปทุบพระธาตุแล้วแบ่งธาตุกันไม่มีใครกล้าทําทําไงดีพวกก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะต้องสร้างเจดีเป็น พุทธบูชาท้งสร้างเท่าไหรดีเอาทุกคนมีน้ําหนึ่งเป็นใจเดียวกันแล้วว่าอยากจะสร้างพระธาตุเป็นพุทธบูชาคุยไปคุยมาเอาเท่าไหร่ดีเจ็ดโยชนเลยสร้างไหนๆจะสร้างเจดีแล้วสร้างไม่ได้เจ็ดโยชนเลยเพื่อเป็นพุทธบูชาก็มีท่านวิศวกรท่านหนึ่งอุยใหญ่เกินไป น, นะนะใครจะไปบูรณะไว้ใครจะไปดูแลไว้ไอ้พวกคนรุ่นหลังๆมันไม่มีปัญญามีศรัทธาหรอก สร้างแต่เล็กน้อยไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เอาเท่าไหร่ดีอุย๊ยหกยอดสิเนี่ยลดลำดับไปเรื่อยๆหกยอดอุ้ยนั่นก็ใหญ่นะไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนะนะคือคือเขาเป็นวิศวะใช่เขาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดหกยอดมันก็ใหญ่ไปดูแลยากในอนาคต ก, ก็จริงะนะเราก็มาคิดในแง่ประเด็นนี้เหมือนกันไอ้สร้างเสร็จแล้วใครจะดูแล แต่นี้ถ้าเราคิดถึงเอาคนสร้างเขาก็ได้บุญไปแล้วเราไม่มีปัญญาดูแลก็ไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องให้เขาห้ามสร้างเราไม่มีบุญไม่มีปัญญาดูแลก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไปห้ามบุญเขาเขามีศรัทธาเขาอยากจะทำบุญก็ทำกันไปเนี่ยนะก็ก็พอก็อยู่ในส่วนบุญของเขาอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอ่ะก็แล้วแต่เราเรามีบุญเท่าไหร่ก็เรื่องของเราไปแต่นี้พูดถึ ง, งอ่ะนี่นายช่างคนนี้ก็ ต่อต้านอย่างเดียวค้านอย่างเดียวหกโยต์ห้าโยต์สี่โยต์สามโยต์สองโยต์สองโยตก็ยังใหญ่ไปลดเหลือโยตเดียวดีกว่าไอ้กรรมที่ไปลดเจดีพระพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยนาะยช่างคนนี้กลายเป็นคนเตี้ยเลยนะเป็นคนเตี้ยมากนะเดี๋ยวเขดูเหมือนเด็กเลยนะดูเหมือนเด็กเลยอ่ะตัวไม่โตนะกลายเป็นคนเล็กตัวเล็กมากสมัยพุทธัการบางทีเขาเรียกว่าเด็กบางทีคนอื่นเขามาจับหัวเล่นว่าเนรเป็นยังไงไม่อยากศึกบ้างเลย อ, อะไรเลยที่จริงนั่นเป็นพระเถระนะ ก็เป็นพารหันพิฉลาดมากด้วยนะแต่ว่าเนี่ยกรรมที่ท่านไปลดจํานวนเจดีลดพระคุณอ่าพระพุทธเจา้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ตัวเองไปสั่งรถเนี่ยนะที่จริงมันก็ไม่ได้งบตัวเองที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้งบประมาณตัวเองที่ไหนแต่ว่าแมในฐานะที่ปรึกษาผู้ดูแลการก่อสร้างกิงก็กินค่าจ้างตรงนั้นแหละจะไปสั่งรถจํานวนเจดีเข้าก็เลยกลายเป็นคนเตีย้ยเนี่ยนะกลายเป็นคนเตีย้ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค้นึกว่าเป็นเนรกันถ้าเดินมาข้างหลังก็ พระก็จะมาลูบหัวเล่นอะเน้นเป็นไงมัง่งบวชไม่อยากศึกมั่งเลยเลยอย่างนั้นอย่างนี้เน่ยนะที่ไหนได้พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนบอกว่านี่พระอาหารหันต์นะนาคนะต้องเคารมต้องยำเกรงเดี๋ยวตกนรกนะอะไรงี้ยนะก็มีอันนี้คือคือหัวหน้าช่างวันนี้แหละทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าก็ก็เลยมาเอะตกลงสร้างเจดีย์สูงโยอดหนึ่งก็แล้วกันแล้วทําไงดีอุวัสดุก่อสร้างเขาบอกว่าภายนอก ใช้อิฐทองเอ่อแค่เรียกว่าใช้อิฐแท่งเดียวแต่เป็นทองคำแค่เรียกว่าสร้างเป็นเจดีทองเป็นแผ่นทองเนี่ยนะเป็นแผ่นทองถ้าใครคิดไม่ออกมันจะเป็นไปได้หรือก็ไปดูชเวดากองกันแล้วกันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่อาจจะเป็นอ่าทรงเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็เอาแผ่นทองเนี่ยมาบุผนังภายนอกแผ่นทองเนี่ยบุผนังหมดส่วนภายในเนี่ยใช้อะไรเอ่อแค่เว่าอิฐแทกอิฐอิฐแต่ละก้อนเนี่ยนะที่ไปวางภายนอกเนี่ยก้อนละแสน ก้อนละแสนสมัยนั้นเนี่ยนะซึ่งมีค่ามหาศาลแล้วก็ภายในก็ก้อนละห้0 0 0ืนแล้วก็ฉาบด้วยหรดานและมโนศิลาโลมด้วยน้ำด้วยน้ำมันแท่นน้ําแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมประสานก็เป็นเจดีย์ทองใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็น4ี่ซุ้มสซุ้มเนี่ยนะก็แบ่งเป็นหารสใช่ไหมแบ่งแบบแบ่งเค้กอะเป็นสี่ส่สสวนอะสซุ้มด้วยกันอ่าคนหนึ่งก็รับเป็นเจ้าภาพ คน ล, ละด้า น, น, นรับแบ่งเป็นเจ้าภาพคนละด้านพระราชารับด้านหนึ่งปทวินทรกุมารราชบุตรก็คืออุปราชเนี่ยนะท่านอุปราชก็รับอีกข้างหนึ่งเสนาบดีพวกฝ่ายฝ่ายไหนฝ่ายข้าราชการเนี่ยนะพวกข้าราชการก็รับอีกหนึ่งด้านแล้วก็หัวเศรษฐีกลุ่มเศรษฐีประชาชนทั่วไปเนี่ยนะก็รับอีกหนึ่งด้านก็แบ่งเป็น4ด้าน น, นะเป็นเจดีย์ทองใหญ่พระราชา หึ่งซุ้มว่า ง, งั้นเธอแบ่งๆนะก็หารสีซุ้มที่หพระราชาซุ้มที่สองราชบดซุ้มที่สข้าราชการทั้งหลายแล้วก็ซุ้มที่4ี่ก็ประชาชนพ่อค้าประชาชนเศรษฐีเป็นต้นทีนี้ทุกคนเนี่ยโดยมากในกลุ่มนั้นทั้งหมดก็เป็นคนที่มีฐานะดีเนี่ยนะพระราชาก็ให้ขนทองมาก็เริ่มงานในฝูนที่พระ อ, องค์รับผิดชอบอุปราชเสนาบดีก็รับก็รับแบ่งๆตามนั้นไป ส่วนกลุ่มเศรษฐีเนี่ยงานไม่ก้าวหน้าเลยเนี่ยนะพอทําไประดับหนึ่งเศรษ ฐ, ฐกิจไม่ดีนะเศรษ ฐ, ฐกิจตกต่ํามากเลยใช่ไหมก็เคยก่อสร้างไว้ก็เลยสังเกตดูนะโบสถ์บางทีเนี่ยมสร้างไม่เสร็จเนี่ยสร้างช่วงวิกฤตเศรษ ฐ, ฐกิจเนี่ยพอดีแล้วก็บอกค้างดาวค้างเดือนอยู่นั่นแหละเมื่อแต่ซากอีกตอนหลังก็ต้องทุบทิ้ง น, นะส่วนใหญ่พอสร้างไประดับหนึ่งแล้วมันไม่ไหวแล้วนะพวกเหล็กมันขึ้นสนิมเกินไปก็ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่กันเนี่ยนะไม่ใช่น้อยทีนี้ อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ายโสธรยโสธะเนี่ยโดยศัพย์ยโสเนี่ยแปลว่ายศแปลว่าบริวารเนี่ยนะธะแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งบริวารแปลว่าคนมีลูกศิษย์เยอะมากะ อ, อุบาสกคนนี้เป็นคนที่มีบริวารมากจริงๆมีลูกศิษย์เยอะเนี่ยนะเพราะทุกคนเรียกกันนะท่านเรียกอุบาสกคนนี้ว่าอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านเป็นอนาคามีและทรงพระตรวิตรกนีนะ เป็นทั้งอนาคามีด้วยทรงทั้งทรงพระตรยบิดกด้วยท่านมีบริวารเยอะมากเนี่ยนะ